ปาปการีจะปาปกังแปลว่าวานพืชเช่นใดได้ผลเช่นนั้นผู้ทำดีได้ดีผู้ทำชั่วได้ชั่วคาถานี้เป็นพุทธพจน์ในรูปของอิสิภาสิทธิ์คือคำกล่าวของฤาษีและโพธิสัตว์ภาสิทธิ์คือคำกล่าวของพระโพธิสัตว์ซึ่งพระพุทธเจ้านำมาตรัสเล่า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 ข้อความว่าหวานพืชเช่นใดได้ผลเช่นนั้นแสดงกฎธรรมชาติฝ่ายพืชพันุว่าปลูกมะขามได้มะขามปลูกองุ่นได้องุ่นปลูกผักกาดได้ผักกาดเป็นต้นไม่ได้แสดงผลในทางสมมติยามแต่ประการใดว่าปลูกมะขามแล้วจะได้เงินหรือปลูกผักแล้วจะรวยเป็นต้นซึ่งเป็นคนละขั้นตอนกัน